เทศอบรมพระวันที่26กันยายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เน้นพระที่มาจากที่ต่างๆทั้งที่อยู่เก่าและมาอยู่ใหม่ย่าเพทร้อนสรุปก็คือยาเอากิเลสมาเป็นพิชามหมากัดกันในที่นี่ ซึ่งเป็นที่ค่ากิเลสส่วนหน้าบีก็พูดคุยปรำปราตลกขบขันอันเป็นฝ่ายธรรมสติกันนี้ไม่ให้อัดให้ใครทั้งสิ้นทางฝ่ายครวาดหน้าบีก็พูดคุยปรำปราตลกขบขันอันเป็นฝ่ายธรรมสติกันนี้ไม่ให้อัดให้ใครทั้งสิ้นทางฝ่ายครวาด มันเป็นได้ยังไม่มากขนาดที่แปดองค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็นยี่สิบห้าองค์สมยมัดระวังเป็นกังวลกระหมูกับเพื่อนทั้งงติดตั้งใจมาชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระกิเลสมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสยืดสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลส ให้มันขึ้นในวงหมู่พระก็เป็นได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากมันเคยเห็นมานี่น่ะเห็นกิเลกเป็นภัยล้มันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยนี่บำนามทึ้งไม่ก้าด้วยเหตุนี้กิเลสมันทึงก้าออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมองไปอ่านปริบัติมาเราเคย ดัดส้นดานเรามาวันอย่างนัง้นก็ถูกหรือ ด, ดัดส้นดานที่เล็ก็ถูก ด, ดูบินทะบินอนนอนแน่วไข้มาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวั น, นวันนี้ไม่ไม่มินทบไม่กินดูไข้ามาลาเรียเอาหนักหนักเจ็บวันเต็มเ็ผมยังไม่ลืมนะ อย่างหนักตั้งแต่เช้าจนกาทั้งยันค่ำเป็นหลายผลเป็นอย่างนี้แต่ จ, จำได้ว่าถ้ายัางฉันอยู่แล้วไม่มันบินทบานนะ่าเอาจ้าของแลดัเจ้าของนะ เ, งนะเพราะกำลังใจนั่นแหละขันเห็นหมูเพื่อน อ, อ่อนแออืดอาดตอ้ดูไม่หลานะ่มันเป็นเล็กๆ ก, กันน้อย มันก็จะตายมันไปไม่ได้อย่างนั้นไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข้อะไรเท่านั้นก็ไปไม่ได้นีสมบัด ไ, ไม่ได้นดม่ไไม ด, ด, มดิเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้แหละมันฝังใจมานานพรอรับหมูเพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งอนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามาธาตุขัน นู่นนะลุกไม่ขึ้นอ่าลุกไม่ขึ้นจริงๆอไม่ไปวันนี้ไม่ฉันว่างันเลยมีวันเดียวมันไปไม่ได้ไม่ฉันที่ไปได้ไม่ไปไม่ฉันมีมากอันนี้เป็นไข่หนึ่งที่ไม่ไปไม่ฉันไม่จันเลยมีมีล่องผืนกันหนูคณะมากกาบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้กับผมจะไม่เป็นสบายว่าธาตุรู้สึกไม่ค่อยสะดวกว่างันนล่ต่างกันไปว่าอะ แล้วไม่ใช่มาเด็ดอยู่คณะพ่อแม่กุญแจนะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็ด เ, ดดเพราะว่าหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นพระรามากเหมือนกันในดูแลพระนเรนไม่จะลืมของเล่นๆนะพ่อแม่กุญแจเป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสาหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดขวดขันกับพระกํามเรนในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละอยู่รับรับนะ ถ้าเน้นองไหนท่าอีกิยาอาการท่าทางไม่ดีนี่เรียกมาเลยไล่เบี่ยงเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบเงียบหมดท่องวัดเรี้กแต่ผู้ที่อุปถัมภ์บถะท่านให้ไปโดยจะเฉพาะท่านนั้นนอกนั้นก็เรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่มาอย่างนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทาไม เพเชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำไหม่มาไม่เรื่องเรื่าวมาก่อเหตุก่อเรื่องกว่อราวขึ้นมาในวันมาทับถมโจมตีอุบายจาอรนี่ไม่ได้มาส่งเสริมนี่มันเถ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสองกรมของพระนี่ไม่ว่าทางป ร, ริยัติในว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกัน ทางไปญาติก่อนเรียนก็คืออยู่กีปีไม่ว่าวัดราษวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมหมดนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องในสมาคมสมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้ยวัดใหญ่วัดน้อยวัดแอลสมาคมปไปหมดมันก็รู้ร่วมกันหมดทางกรรมาฐานกับเกี่ยวข้องกันมาเรื่อยจนต่อปฏิบัติตรงมาทาั้งปัญญ์นี้ทําไมจะไม่รู้เรื่องกรรมาฐาน อูกัหมู่กับคณะกับครูวาจางก็เคยอยู่หมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วเราก็หนักใจไม่ใช่น้อ ย, อยแล้วก็ทนเอาทล้วดูอากาแหมครูรวาจางเราจะไปไหนกันรู้สิว่าอาการท่า น, นแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงๆแต่อาการท่านเราทราบาารท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปนั้นท่านเป็นไปยังไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเป็นไปยังไง เราดูอาการท่านเราก็สะาบไปไม่กี่วันฮนี่สมามืาทำมามาพูดคุยกันฟังนาไอนั่นใส่ปัญหาหรอกหือไปหาตัทใต้จะปอย่ไหนหนาหนะท่านใส่ปัญหาพระองค์จริเจ่งๆมันมีนะมันแอบแอบชดช้อน ท, งทังทังที่นเทศป้างป้า อันนี้ไม่มีในคำเพียงแต่ก็คำเภียงอยู่ออกมาจากไหนเออกมาจากไม่ออกมาจากใจถ้านอาจารย์มั่นเป็นท่าประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ทัานพูดตรงตรงเลยผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่ถอนหมู่เพื่อนเหมือนกัน ดับท่อนมาจะสดในบาทมันเป็นยังไงท่านวามันขวางขึ้นมาทัานทีว่าอย่างนี้พูดอย่างเด็กเพราะถึงไม่สดมันขวางอนะว่ามันทันวานฉันฉันได้มาฉันเพื่อความเห็นใจอะไรยังจะเอาช้อนไปขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเหน็นใจอะไรสิว่ามันส่งเสริมวัตจักฤทสิ์ท่นานว่า สงเสมตัวกิเลสถ้ามันมีรส อ, อร่อยอะไรต่ออะไรผสมลงไปนั้นแล้วเพื่อจะเห็นโทษเห็นนั่นของเรื่องกิเลสมันช้อนประตัดชดเพื่อความอ ร, อร่อยอมันอะไรมันบปฏิบัติเพรรื่อลิ้นระที่ไม่ปฏิบัติเพื่อเท้ามันพูดเด็ดเอ็ดเด็ดเราจาไม่ลืมเวลาท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยชันช้อนที่ไหน ตังแต่ได้ยินนั่นแล้วเราไม่เคยอยู่ เ, เพราะก็ได้ยินนั้งต่อไป แ, แรกๆอยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านจันมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยลงอย่างเต็มที่เต็มฐานลงด้วยเหตุด้วยผลโดยอด้วยธรรมของท่านเอ็ดแต่เต็มเพราด้วยหตผลทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ค้านไม่ได้ลงแล้ว ล, ลงลงจริงๆเราเป็นทัก ถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี้ลงไม่ได้สําหรับผมเองใครจะบวชน้ำหน้ารัตนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็ก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นถึงมโนมา ก, กั้นไว้ขนาดเส้นผมเป็นหนึ่งนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมทันทีนั่น เราอยู่ในเหตุผล น, น, นั้นเราเคารพนี่คือสอนหมูเพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค้าเข้ า, ขาสับปนกันไปอ น, นิสัยใจคอยาปละหยดัดต่างๆกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงยังไงมักจก น, นั้นแหะจะจะออกมาก่อนเหมือนกับหัวตัวอยู่ปากคลอกนิสัยนั้นมันเป็นหมือนวัวอยู่ปากคลอ พอเปิดประตูป้ามันป้าตอก่อนแล้วนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสป้าเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีนนแล้วมองไม่ทันนี่อันหนึ่งผมยีดตัวพิจารณากที่เกี่ยวกับหมนะู่คณะนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ชำระจติตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลําดับหนําแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกัน โดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมากลัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งอันใช้ไม่ได้นั้นน่ะเข้ามาอวดในสนามรบกับวิเลสจะมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืม ให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สาคัญอันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยสิ่งไรยังต้องใจค้าจะชําระมันแในอย่างอะไรยังจะเสริมมันให้มีกําลังวังชาขึ้นมากระทบกับเทือนหมู่เพื่ออันนี้เรียกว่าเลวที่สุดหากว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเรียนตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ ผมไม่มีอำนาจวาสนามีความรู้ความสลัดที่จะไก่เกียรอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จส่งเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นนี่เลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนั่นเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันเพราะนั้นใครให้นมัดระวังเรื่องอย่างนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโลนที่สุดในวงปฏิบัติทูที่จะข่ากิเลสแต่กลับมาแหลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนับไปดูหัวใจเจ้าของมันกับเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้เมื่อสัมผัสตาก็ดีทางหูก็ดี มีสำคัญสองอันนี้สำคัญเมืส่สัมผัสเข้ามาแล้วที่มันอยู่ปากคลอกมันต้อโถมา ท, าทันทีสติจะไม่ทันถ้ถามีสติอยู่นั้นแล้วมันทันนี้สติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งยำหยาบที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะปติมีอยู่ นอกจากมาเรียกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยการตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อมูอเพื่อนไอ้ของเลี้ยงสัตว์มันนั้นอะ่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดครอบหรือหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออกไดอยากสะดวกสบายของมันเท่านั้น พายอวดฉลาดด้วยจิเลกไม่ใช่ของดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดหน้าดูทำเป็นอย่างนั้นเหมือนมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดเอามานฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไวในสถานที่ อันดีมามทิ้งเกลือนก น, นั่นเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่เรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไรก็จําได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคํานึงถึงเรื่องของเราก่อนเีงเราเคยเป็นผู้น้อยวิ่งหาครูวายการ องไหนที่ควรจะเป็นที่พื่นเตีอยสายเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี้ยแน่นอนในการชี่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้รยละเอียดตัวถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์ตงนั้นยกตัวอย่างเช่นหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใจหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่าน กลัวท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่ากลัวอะไรซะอีกในเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจไมันขึ้นอย่างคึกคักก่อนเราได้ยินจากพระองหนุ่งจำชื่อไม่ลืมจนมาั้งตอนนี้ชื่อพระศรีนวนพระองค์นั้นมาจากบ้านลามหมปีพศ85 มาพักอยู่วัดตุ้งสว่างหนองคายพอดีเรากับไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กูเท่า น, นั้นกล่อมาบอกว่ามาจากสกล น, นครมาจากสำนักท่านอาจารย์มัน่นเราก็ก็ยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของของวัดเรื่องของท่านอาจารย์มัน่นเราก็ต้องถามดันผิดแล้วเป็นไงมีพระเนรอยู่กับท่านมากไหมโหท่านไม่รับพระเนรมากนะสังมากไม่เลยที่เอ็ดทีสององค์ นี่นับวัฒนนับมากนะนี่ก็มีสิบเอ็ดองค์งท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรอะไรไม่ได้ท่านไร่นี้จากวัดเลยเพียงเท่านี้แหละเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานักแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทําไมจะต้องทําตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่นีจจากวัดเราตั้งใจตาท่านเพื่อเพื่อทำ เราต้องการครูบาอาจารย์เด็กๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากช้าเราว่าอย่างนี้มันยิ่งก็ยิ่มอันยอยากจะไปในเดี๋ยวนั้นเลยแต่เขายังไปไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังป่วยเอวดีก็เอวมากตระงคบยาดุ้งเป็นคำเร่ไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันที ต้องอย่างนี้วางนันเลยนี่ความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นาะท่านจะรับเราหรือไม่ที่ทักที่อยู่จากกอมีหรือไม่นี้โอ้เป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ําใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็เผอิญอย่างเมื่อวานนี้พระธเนศนั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวันวันนี้เราเข้าพอดีกุติทั้งนั้นว่า เ ล, เลยให้เราอยู่แล้งนะโน้ตเหมาะสม น, เ, นเกิ น, นสนามมาก็ท่านเนี่ยึ่งไปบ้านอนมงเมวนตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกมาสร้างวัดใหม่ดูกบทถางดูข้อวัดปฏิบัติอะไรอะไรอาที่ต้องตีไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเด็ดเดียวอาจฐานพูดไม่มีสทสทฐานนั่น คิดเปล่งอกเกล่งกาผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องนำเหนื่เรายอมรับทันทีทันทีนทลงไใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกนี่ความดีใจว่าเมตตารับผัววัเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานํามาเทียบกับหัวใจเพื่อนที่สอนแสวงหาครูหาอาจารย์ เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากงั้นเลยกับกําลังว่าสายวาสนาของเราเราเราก็ยังยอมรับนั่งฝืนเอาพูดอย่างนี้วอาอันหนักก็ยังต้องพยายามแบบแบบภาระในการดูแลอบรมสัง่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจึงให้เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคณะวา ยิ่งกว่าพระพระจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเพียงไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยแต่มามากน้อยก็ควรจะต้องรับกันขนาดไหนก็ต้องรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคารวะทั้งนั้นเราไม่มีความปักใจไม่มีความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลาย ซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็ น, นํำหนักเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการข้อเสียนิรอทษกัรเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมาเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะ มากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติ ต, ต่างๆแนะนํานไปชา้าไปปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเียนตรงๆเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนําสั่งสอนมูเพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกิจตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพฏิกําลังของเราแล้ ว, ลวทุกแ ง, ง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใด เราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วเราไม่คุยแล้วพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความทนะ่านตะชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยในหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลําดับลําดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุด กำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตงตอนขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระถึกความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลีนะ้ลับ เราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนเรื่องความแน่ใจจริงงสิงดที่ส่วนใดที่ว่าอยาให้อยากเช่นอย่างพระที่ไปเราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความ ความรู้สึกอยู่งแายๆเนี่ยที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาวันนั้นไปถามเราเราก็อธิบายให้ฟังยอ่อๆจิตมันพุ่งพุ่งเป็นยังไ ง, งไงปอย่างที่เ่าฟันมานั้นน่ะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะนิล้วว่าถ้าเข้ามาจุดๆถึงความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วนี่แล้ววันหลังมา น, นี้ก็ยังมาเทศถึงพเรื่องจิตที่มันพุ่งพุ่งเกินไป เป็นความรสว่างพุ่งขึ้นหนุนจดมเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความทัวพันชอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยตามเราหนไ อ, งงองงี้ถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความ ส, สางบตามปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จุดผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการตั้งหลายเรื่อนั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในยีลานั้น แล้วทําให้ทราบเรื่องทันทีแล้วนอกจากนั้นยังทําให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิยังได้สอนข้าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่ว่างพระนี้ถึงได้ไปว่านั้นนีแต่เงื่อนเหล่หลหลา น, นี้แหละที่ภาวนานนมีสาเหตุเพียงจะคิดถึงแม่เฉยเลยเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้ว คิดถึงแม่ผมกินม อ, มองมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากเถ้าเป็นสุนักสุนักบา้าคือสุนักบ้านี่มันตาแหลมคมนะอืมคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูออออาาวันนั้นเออๆนี่ข่าวสีข่าวชาติมันนั่งกับผมมันนั่นเหมือนกันมายกกำพีมาสู้ผมยกกำพีมาสู้ผมโอ้บ ข, ข, ขันจะตาย เขาอะไรอ่นว่าเราอยู่วัน <c oughs> เดอ่ากทางมันก็ย่อมการเจ็บค่าในป่วยที่ไหนมันก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบรนทัรถนาอะไรอะไรก็มีหมอเขมีแต่ลูกศิษย์ดูหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบรรันี่ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไร่เจ็บตรงตรงไหนเข ก, ก็ไปได้นี่อรถก็ไม่ยากละหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นค่าวัดป่าบรนทัดแล้ว สะดวกสบายไป็หมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านทั้งมเมืองแก่หาวมาพูดอย่างดืง้อๆของแกไปแล้วก็ในภาษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปผมกยกคำมิโรนายพีน่นายยังมีอยู่นี่แกก็ว่างโอกคอร์จ็ักแป๊บนะผมเข้าใจทีเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่คอจะเห็นทีละแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นเยกออกมามันก็เข้าออกันได้ทันทีผมก็เลยอยู่ ไม่พูดเลไรต่อไปอมไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยตรงั้นมันอาจจะลงไปทึ่เลกับที่พระระวังพระองนี้เริ่มเป็นบ้านเราวนะแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริหารจะพาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมพี่นันผมก็ว่าอีกว่าพนาาตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพิบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูยียางอาการของท่านเป็นยังไงบ้าง แล้วผมก็เลยผ่านเข้าไปหาร้านทัดหญิงก็ท่านนั่นนี่ก็ไปตามผมมาโอ้ยผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าอ่านเรจแล้วก็ไม่ทราบจะไปนู่นไปเรื่ไปแหละก็เดินผ่านไปนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นตรงเรื่องธรรมนายมเนี่ยการนั่งหูเพื่อนไม <là> เราสอนจริงๆเราเป็นภาระของเรากินจริงๆสมกับโอปายังปฏิรูปังปาชาทิเจนะสัาไปได้จเราไม่สั่แต่ว่าเราจริงตามหลักทำหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าจะโดยลําพังตัวเองแม้ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนมูเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อผลเพื่ออเพื่อถามเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจ มั่นคงต่อหลักทำหลักวินัยเถอะอย่าไปมั่นคงต่อพิเลกซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสีหยรมากอย่าริยาตุรินำมาจากตลาดนะนวิธีการปฏิบตัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกีห่หนไม่ดุไม่เคยเว้น อ, อุบายนะ ความสงบของจิตนี่กเ็เคยได้พูดอยู่แล้ว ท, ทําไงจิตถึงจะสงบนะมันสงบโดยคำใบรกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลําดับ ก, ก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสําคัญมาก เป็นตัวเสริมเจตนาความรลลักรู้อยู่ไว้่จิตพิจารณาไปที่ตรงไหนไหนทุกวันจะค้นฟ้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิต ด, ด้วยการด้วย ป, ปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมตัวเองด้วยคำบาบกับมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายิตแปงเปลี่ยนแปลง ด้วยปัญญาจนมันสงบได้เนี่ยบายวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่เดินฟาดมันทั้งวันก็เดินเดินเป็นไรนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาจิงเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักทาหลักทินไหนแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทาจริงๆภาวนา ตั้งแต่เริ่มภาวนามาแล้วไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยนี่แต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจริงถือว่าเป็นค่าสึกต่อจิต่อภาวนาเป็นอย่างยิ่งสําหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สําหรับพระนั้นนะ่ะมันเป็นอปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติเราจึงต้องระมัดระวังเสมอ ทำงานนั่นทำงานนี้ทำมากๆ ก, ก็ไปจิตมันฟุ้งซ่านนอกข้างนอกบางค่ำอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัดทำไม่เลยขอบเขตจนเขาเรียกลามปามเนิมเปิมไปนั่นงานอะไรก็ไม่มากเกี่ยว เครจะมานิมนต์พระนิบัตรนี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเพื่อความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถ อ, ารอยู่แล้วทำไมจิตใจยังสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงถ้ามันไม่จริ ง, ง, ร ม, รงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องแหะคืออย่างนั้นต้องเข้มแข็งใช่ เคยพูดเรื่องปฏิบัติทางตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดอวดละเอียดอว ด, อ ด, อดไปหาอะไรมันไอของจริงมันอวดฟังซิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยๆรยหลังงานได้ก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระาทั่งถึงบวช จะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันนักไม่เคเห็นงานไหนนั้นหนักหนายิ่งกว่างานที่ตัดพอนาเลยแม้เรียนหนังสือจะมาะทั่งหัมสมองมันคือหมดด้วยอํานาจแห่งการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็คอยเรียนความจดจําในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจําแล้วจดจํำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มี เพราะอำ น, นาจของกิจบังคับมันก็ไดยรับไปนอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเสี่ยวหนึ่งของภาวนาเวลาภาวนานนี่โอ้โหเอากินเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดปไปในแงไน่ใดแงไ่ใดมีก็เคยพูดให้หมูเพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เขาเข็มคือการภาวนาน เรามาเริ่มภาวนาเอาจริงเอาจริงเอามากเอาผลจริงๆนะจิตมันประวัติประวัติแย้บแย้บเนเดื่อปหาตามเรื่องราคาตันหาจนกระถองก็เอกใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่ก็เฉยเฉยไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงอัวเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทํามาได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี้ยเงียเงี้ยเ้ยยข้างในแต่ไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรอ่ะมันมีให้ดูแย้บแยะ้บผันในจิต เอ๊มันดังไงมันยังไงติมีวะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญานี่ขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเมื่อเราสึดผลเข้าไปจริงๆเนาะสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้มันรู้เราาไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่มันมันมันมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายทั้งหมดไป ก่อนที่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีใช่ป่ะยังไงกีดมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเปีนยงไงมันดํามันขาวไม่เราเราไม่ได้พูดหมีขาวเราพูดหมีดำต่างหากมันดำไปหมดมันจะได้เรื่องในราวอะไรไปคุกข้ากับอะไรมามันก็ไม่อยู่เพราะมันดําอยู่แล้วอันนี้เมื่อเวลาออกมาปฏิบัติเราชำนาญตัดสานระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอีกธีศัตโดเป็นต้นมันจะแยบ เพื่อนจิตได้รวดเลยมัน ท, ทำให้เัาเอะใจเอะใจอยู่เรื่อยเอ๊ะทไมชอบคนทําไมชอบคนพอติดกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้ัก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทําให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับปัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสยัยนี่สําคัญ นิสัยเรามันทํามันจริงจังเราอะไรทํานั้นจริงๆอ ย, อยู่เฉยไม่ได้ทําต้องทำด้วยเอาใจมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานและเป็นที่แน่ใจก็แทบเป็นแทบตาย ยาก็ช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นฆ่าตายยากถอนขึ้นยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างแนวเหนียวแน่นแก่นทำเหมือนกัน มานั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบหากินหมอบกีก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเล่าพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตพึกเขิมลึกคลึกขนองเราก็ได้รับความสบายสมายเป็นตัวนี้ยังไม่แล้ว เอาจะมาตั้งถึงได้หลักได้เจนทางความทบานแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชัดลงไปที่นี้เออต้องอยังไม่สิน่ะมันทำไมจะไม่รู้สันติติโ ก, โกพระพุทธเจ้าไม่ทรงปลูกขาดสําหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันติติโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองน่ะเลยจากนั้นตะกับเวตบโตมิโยหิเท่นั้นสิ อันนี้ิโก้นี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงในตะบู ว, วบินยูนี่มักจะพูดทำขั้นสูงขึ้นไปทำขั้นต่ำแล้วไม่อาจเอียงเพราะวินยูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้นี่เป็นภูมิสูงรู้เฉพาะตอนต่างๆนี่ยเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่น แล้วความเพียรนเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันมันจะมันจะได้หรือฟังแต่ว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้อให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยอืมหรือว่าเป็นนักปักเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชู้พี่เต หาความสูรม์ไม่ได้เพราะจิตมันไมไ่เป็นกรรมฐานนี่นะมันเป็นกรรมถอนวางมัน <c oughs> มันทอมันถอยมันถอนตัว อ, ออกจากความภาคความเพียรถ <c oughs> อนตัวออกจากอัดจากธรรมจากหินจากสมาธิจากปัญญานีขนขณะที่มันถอนตัวออกนั้นมันก็เข้าไปฝใส่กิเลสเสียเป็นบริจัตริวานกิเลสทิเดบดเหยียบย่าทําลายแหลกไปเสียเน่รว่าเพลกมันหลายศัพท์ หลายสันหลายคมสิสติปัญญามีอยู่พลิกไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้กิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นขอให้จริงให้จังคิดสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับกลุ่เสียงกลิ่นลดเครื่องั้งฝาดต่างๆ ยิ่งแล้วไม่ใช้ปัญญาปีนีพิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นที่ว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาแล้วเห็นชัดเจนไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนตอนตอนตอนไปโดยลำหนับลำหนักตัดที่เหล็กก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากกิจนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับให้รู้รูปเห็นรูปหูเป็นราาิสัยอันหนึ่ง เป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเดียดโกโรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกโรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวตัวออกมาเองต่อยตุต่อยเข้ามาต่อเข้ามานั่นจึงเป็นพิจนาอจุพะขังนอกอจุพะขังในรูปนอกรูปใน เนี่ยว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะครัพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงจริงเพื่อความตรวเครื่องเป็นมากทั้งหมดถพิจารณาเพื่อความสั่งสมที่เลิศรักน่าชอบใจเห็นรักสงวนร่างกายของเราเนี่มันเ้าเป็นแชมูไทยแล้วพิจารณาอะไรมันอืมันจะเรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจข้างในก็เป็นแชมูไทยพิจารณาเพื่อ ลงอนิจังทุกครั้งอนุตาุภาุพังปฏิกูลโกโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายขาดความกำนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่อมเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบ ก, กวนนั่นหองนี่นเป็นมากเนี่ช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้ยาไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ทั้ง สมาธิเดิันนั้นคันนี้ก่อนจึงใช้ปัญญาอย่นี้เป็นความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูมมาที่เลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการ น, นั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่ อ, อไรที่เหมาะสมถอะ ใช้กันได้ทั้งนั้นแต่สำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านอั่งนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญอาจารปัญญาสบายในดีกวา่า